บุกทูสี่สิบหกรในดิสโกเทกณดิสโกเทติที่นั่งมีว่างไหมคะ ท, มที่ฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ ม о ж н เ сісти біля вас เชิญค่ะ із з а д ค в о л е н н я м คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะฉเสเสียงดังไปนิดค่ ะ, ตคะแต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะแต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะ รคุคุณมาที่นี่บ่อยไหมคะไมไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกคะ่ะนีดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยคะ่ะคุณอยากเต้นรำไหมคะ อีกเดียวอาจจะไปค่ะอีจจะไปค่ะอาจจะไปค่ะไม่เก่งไค่ะอายจ่งาค่ะอาจจ่ะอาจจะไปค่ะอาค่าจะาค่ะอาจะค ไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าค่ะนี่ครั้งเชออื่นชรคุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะาชใช่ค่ะรอแฟนอยู่ทักนา่าโม่ดูฮะเขามาแล้วค่ะ Ось и вин.